วันนี้เป็นวันพุทธที่5เมษายนพุทธศักราช2566เป็นวันพระเป็นวันธรรมสวรรคะวันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรมเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรง สอนให้พุทธบอยสันที่มีความศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ให้หยุดภารกิจการงานต่างๆการงานที่เกี่ยวกับการทรมาหากินเลี้ยงชีพ ให้หยุดไว้หนึ่งวันเพื่อให้มาทำภารกิจการงานของพระศาสนาเพราะงานภารกิจของพระศาสนานี้เป็นงานที่มีความสำคัญต่อจิตใจของพวกเราทุกคนงานที่เราทำกันที่ ทำมาหากินเลี้ยงชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเป็นงานที่เราทำเพื่อร่างกายแต่ไม่ได้เป็นงานที่จะทำให้เกิดประโยชน์สุขแก่จิตใจเลยชีวิตของเรานี้มีส่วนประกอบอยู่สองส่วนด้วยกันคือร่างกายและจิตใจ ร่างกายก็ต้องได้รับการดูแลได้รับปัจจัยสี่คืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเราจึงต้องไปทำงานทำการกันทำงานเพื่อหารายได้เมื่อเราได้รายได้เราก็จะได้เอามายางชีพได้เอามาซื้ออาหารซื้อเครื่องนุ่งหง่ม ซื้อที่ อ, อาศัยซื้ อ, อยารักษาโรคแต่การทำมาหากินนั้นไม่ได้เป็นการทําอะไรให้แก่จิตใจเลยเพราะสิ่งที่จิตใจต้องการนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกับที่ร่างกายต้องการนั่นเองดังนั้นโดยจึงต้องแบ่งเวลา มาให้กับการหาสิ่งที่มีความจําเป็นต่อจิตใจสิ่งที่จะทําให้จิตใจเขาของเรามีความสุขมีความเจริญและสิ่งที่จะทําให้จิตใจของเรามีความสุขความเจริญก็คือบุญบารมีต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราชาวพุทธ มันมาปฏิบัติกัน น, นั่นเองให้หยุดทำงานสักวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งมีเจ็ดวันเอาสักวันหนึ่งซึ่งในสมัยก่อนก็ทรงใช้วันพระคือวันนี้เพราะสมัยก่อนนี้เราหยุดทำงานกันในวันพระพอวันพระแทนที่เราจะไปทำงานเราก็ไปวัดกัน ไปทำภารกิจทางจิตใจกันถ้าเราไม่มีวันพระจิตใจก็จะไม่ได้รับการดูแลเลยจิตใจก็จะเป็นจิตใจที่เหี่ยวแห้งเหมือนต้นไม้ที่ไม่ได้รับน้ำต้นไม้ที่ไม่ได้รับน้ำนานๆเข้าก็จะเฉาจะเหี่ยวและจะตายได้ใจก็เหมือนกันใจถ้าไม่ได้รับการดูแล ด้วยบุญบา ร, รมีต่างๆใจก็จะหอบเหี่ยวเศร้าหมองไม่มีความสุขไม่มีความเบิกบานใจถึงแม้ว่าจะมีทรัพย์ไว้เลี้ยงดูร่างกายมากมายก่ายกองแต่ทรัพย์เหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะมาเลี้ยงดูจิตใจให้มีความสดชื่นเบิกบานแจ่มใส ให้มีความสุขความเจริญได้เลยดังนั้นการทำภารกิจ <c oughs> ในวันพระจึงเป็นภารกิจที่จำเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกับการทำภารกิจทางร่างกายเราเรารู้ว่าถ้าเราขาดปัจจัยสี่ร่างกายของเราก็จะอยู่อย่างอัตคัดขัดสนอยู่อย่างทุกข์ยากลาบาก เราจึงทุ่มเวลาให้กับการเลี้ยงดูร่างกายกันอย่างเต็มที่อาทิตย์หนึ่งนี้เราทำงานกันอย่างน้อยก็ห้าวันเพื่อเอารายได้มาจุนเจือราเลี้ยงดูร่างกายส่วนอีกสองวันนั้น<ม>ก็เป็นวันที่เราหยุดพักผ่อน จากภารกิจการงานต่า ง, างจึงควรที่จะเอาวันหนึ่งที่เราหยุดทำงานมาทำเป็นวันพระ <c oughs> เป็นวันที่เราควรจะเข้าวัดกันเข้าวัดเพื่อที่จะได้มาสร้างบุญสร้างบารมีต่างๆกันสมัยก่อนวันหยุดทำงานกับวันพระเป็นวันที่ตรงกันสมัยก่อนนี้พอวันนี้ พอถึงวันนี้วันพระห้างร้านต่างๆกิจการกิจการต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านค้าบริษัทอะไรต่างๆสมัยก่อนนั้นจะหยุดทำงานกันทุกคนก็มีเวลาว่างที่จะสามารถไปวัดกันได้ในวันพระแต่ในยุคนี้ในสมัยนี้โลกเปลี่ยนไปเป็นโลกของโลกาพิวัติ คือเป็นโลคที่เชื่อมต่อกับนานาชาติเรามีการทำธุรกิจการค้าขายกับต่างชาติและหลักษากลของนานาชาติเขาคือวันหยุดของเขาก็จะตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ถ้าเราไปหยุดวันอื่นเราก็จะไม่สามารถไปทำธุรกิจกับเขาได้อย่างสะดวก เช่นสมมุติถ้าถ้าเร า, าหยุดกันในวันพระในประเทศไทยเช่นวันนี้ถ้าธนาคารอะไรต่างๆหยุดทําการในวันนี้แต่ทางโลกทางประเทศอื่นเขาเขาไม่หยุดกันเราก็จะไม่สามารถที่จะติดต่อทรรําภารกิจค้าขายกับเขาได้เพราะวันนี้เป็นวันหยุดของเราแล้วพอไปถึงวันเสาร์ที่ ที่เราทำมาที่เราทางานทําการกันเพราะไม่ใช่เป็นวันหยุดไม่ใช่เป็นวันพระเราก็ไมส่สามารถติดต่อรรมาค้าขายกับต่างประเทศได้ดังนั้นจึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนวันหยุดการทำมาหากินจากวันพระในอดีตมาเป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์ในปัจจุบัน ทำให้เราขาดทุนกันทำให้ชาวพุทธเราขาดทุนกันเพราะเช่นวันนี้เป็นวันพระเป็นวันที่เราควรจะเข้าวัดกันเป็นวันที่เราควรที่จะมาดูแลจิตใจของเรากันเราก็มาไม่ได้เพราะเราต้องไปทำงานกันเพราะงานเขาไม่หยุดในวันพระแล้วในสมัยนี้เขาเปลี่ยนไปหยุดในวันเสาร์วันอาทิตย์กัน มันก็เลยทำให้คนที่ทำมาหากินที่เป็นลูกจ้างของบริษัทห้างร้านต่างๆนี้ต้องไปทำงานในวันพระเพราะบริษัทเขาไปหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ซึ่งบางครั้งก็ตรงกับวันพระแต่บางครั้งก็ไม่ตรงกับวันพระเช่นครั้งนี้วันพระก็เป็นวันนี้วันพุธแต่เราทำงานกับบริษัทเขาไม่หยุดเราก็ต้องไปทำงาน ถ้าเราหยุดทำงานเดี๋ยวเราก็จะถูกเขาไล่ออกจากงานเพราะเราไปไม่ไปทำงานในวันที่เขาต้องการให้เราทำงานนั่นเองถ้าเราเป็นชาวพุทธที่มีความเคร่งครัดมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าถ้าเราจะหยุดวันนี้กันเราก็อาจจะต้องไม่ได้ไปทำงานทำการกับห้างร้านบริษัทต่างๆ ดังนั้นเพื่อเป็นการที่จะทำไม่ให้เกิดความเสียหายเราก็ต้องเปลี่ยนวันพระของเราเช่นวันนี้ถ้าเราไปทำงานกันเราก็เปลี่ยนวันพระไปเป็นวันที่เราหยุดทำงานแทนเช่นถ้าบริษัททางร้านเขาให้หยุดวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็เอาวันเสาร์วันอาทิตย์วันใดวันหนึ่งนี้มาทาเป็นวันพระกันแล้วเราก็จะได้ ไปวัดกันได้ไปสร้างบุญบา ร, รมีต่างๆให้แก่จิตใจของพวกเราได้เพราะบุญบา ร, รมีนี้เป็นของที่มีความสำคัญมีความจำเป็นต่อการ น, นำความสุขความเจริญมาให้แก่จิตใจของพวกเราทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆต่อให้แม้จะมีมากเป็นร้อยล้านพันล้าน มันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์กับจิตใจเลยเพราะว่าเงินทองนี้ไม่ใช่เป็นไม่ได้เป็นเครื่องสนับสนุนให้จิตใจนั้นก้าวเข้าไปสู่ความสุขความเจริญที่มากขึ้นนั่นเองต้องใช้บุญบรารมีถึงจะสามารถที่จะสนับสนุนที่จะส่งให้จิตใจนั้นก้าวขึ้นสู่ ความสุขและความเจริญขึ้นไปตามลำดับจนถึงความสุขความเจริญขั้นสูงสุดของจิตใจบุญบารมีนี้เปรียบเทียบก็เป็นเหมือนกับน้ำมันของรถยนต์รถยนต์ที่จะพาเราไปไหนมาไหนได้นั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องคอยเติมน้ำมันให้กับรถยนต์อยู่เรื่อยๆ เพราะถ้าวันไหนถ้าน้ำมันหมดรถยนต์ก็ไม่สามารถที่จะพาเราไปไหนมาไหนได้เราจึงมีการจอดแวะตามสถานีบริการกันอยู่เรื่อยๆขับรถไปเราก็จะมักคอยดูที่มาตรวัดน้ามันว่ามีน้ำมันเหลือมากน้อยเพียงไรพอรู้ว่าเหลือน้อยแล้วถ้าขับผ่านสถานีบริการ ที่ไหนก็จะว่าเข้าไปเติมน้ํามันกันทันทีเพราะถ้ารถยนต์ไม่มีน้ํามันรถยนต์ก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่สามารถพาเราไปไหนมาไหนได้จิตใจของพวกเราก็เหมือนกันการที่จิตใจของพวกเรานี้จะก้าวไปสู่ความสุขและความเจริญที่สูงขึ้นไปตามลําดับได้นั้นเราจําเป็นที่จะต้องมีการมา เติมบุญบารมีกันอยู่เรื่อยๆเช่นวันพระนี่วันหยุดนี้เราก็เหมือนกับขับรถแวะเข้าไปที่สถานีบริการสถานีบริการของจิตใจที่จะเราสามารถจะเติมน้ามันของจิตใจได้ก็คือวัดวาลามต่างๆนั่นเองเป็นสถานที่ที่มีการบริการเติมบารมีต่างๆให้กับ จิตใจของพวกเราเช่นวันนี้ท่านก็หยุดทำงานสมมุติถ้าท่านได้หยุดทำงานหนึ่งวันท่านก็มาเดินทางมาที่วัดกันแล้วก็มาเติมบา ร, รมีต่างๆได้เนบา ร, รมีเช่นบา ร, รมีอันแรกก็คือทานบา ร, รมีการสร้างทานบา ร, รมีก็คือด้วยการทำบุญทาทาน ด้วยการเสียสละแบ่งปันเช่นตอนเช้าก็อาจจะใส่บาทก็ได้ใส่ที่หน้าบ้านก็ได้หรือใส่ที่ไหนที่สะดวกก็ได้ดีย๋ยวนี้มีที่ใส่ได้ตามตลาดที่มีร้านทากับข้าวขายไว้แล้วถ้ามีพระเดินผ่านก็สามารถแวะซื้อกับข้าวอาหารแล้วก็ใส่บาทที่ตรงนั้นเลยก็ได้ หรือถ้าอยากจะมาวัดเพราะนอกจากจะทำบุญทาทานแล้วก็อยากจะมาศึกษาธรรมะอยากจะมาปฏิบัติธรรมอีกก็อาจจะเดินทางมาวัดกันแ ล, และอาจจะอยู่ทั้งวันทั้งคืนก็ได้หนึ่งวันกับหนึ่งคืนจะได้เติมบา ร, รมีได้อย่างเต็มที่บา ร, รมีที่เราต้องเติมก็คือเนี้ย ทานบามีศีลบารมีเนคขมะบารมีอุเบขาบารมีและปัญญาบารมีมนี่คือบารมีที่จะสนับสนุนความเจริญความสุขของใจให้มีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับจิต ใ, ใจของเราจะสุขจะเจริญได้นี้ เกิดจากการที่เราเติมบารมีเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากการที่เราไปกราบพระแล้วขอพรกราบพระจุดธูปเทียนสามดอกแล้วก็อธิษฐานขอให้สุขให้เจริญซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่เกิดผลแต่อย่างใด ถ้าเกิดผลพระพุทธเจ้าก็ทรงสอนเราให้กระทำกันอย่างนี้อยู่แล้วเชื่อไหมพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้พวกเราไปกราบพระพุทธรูปกันไม่ได้สอนให้พวกเราไปอธิษฐานข อ, อจากศึกสังสิ์ขอจากขอสิ่งต่างๆจากศึกสังสิตกันเพราะการขอนี้ไม่ได้เป็นเหตุที่จะนำให้เกิดสิ่งที่เราต้องการกันนั่นเอง สิ่งที่เราต้องการเกิดจากการกระทำของเราเองดังนั้นพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้พวกเราขอขอให้ได้ความสุขความเจริญไม่ว่าจะเป็นทางจิตใจหรือทางร่างกายก็ตามเป็นของที่เราขอกันไม่ได้เป็นของที่เราจะต้องทำกันสร้างกันขึ้นมา และสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนถ้าเราต้องการความสุขความเจริญทางจิตใจก็ทรงสอนให้เรามาสร้างบา ร, รมีต่างๆเหล่านี้นั่นเองแล่วตั้งแต่ทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีเนคข ม, มะบา ร, รมีอุเบกขาบา ร, รมีและปัญญาบา ร, รมีนี่แหละคือบา ร, รมีที่จะทำให้จิตใจเรา มีความสุขมีความเจริญมากขึ้น mm hmm. เช่นตอนนี้จิตใจของพวกเรา อ, อนี้มีอยู่ในระดับของมนุษย์กัน mm hmm. ถ้าเราอยากจะให้มีความสุขความเจริญสูงกว่ามนุษย์คือ mm hmm. อยากจะให้ไปเป็นเทพ mm hmm. เราก็ต้องสร้างทานบารมีเติมทานบารมีทาบุญทําทานให้มากยิ่งทามากก็ยิ่งจะทำให้ จิตใจเรามีความสุขมากมีความเจริญมากแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องป้องกันจิตใจของเราไม่ให้ตกต่าด้วย<ม>นอกจากทำทานแล้วเราก็ยังต้องรักษาศีลให้ได้ด้วยรักษาศีลห้าเพราะถ้าเราไม่รักษาศีลห้าถึงแม้เราจะได้ทำทานหากการกระทําบาปของเรานี้ มันมีมากกว่าการกระทาบุญทาทานของเราทางของเราก็ยังจะไม่สามารถส่งผลได้เพราะบาปจะดึงใจของเราให้ลงต่ำก่อนดังนั้นถ้าอยากจะขึ้นสูงแล้วก็ไม่ต้องการจะลงต่ำเราต้องทำ ส, สองอย่างควบคู่กันไปคือทาบุญทาทานสร้างทานบารณีเพื่อยกระดับ จิตใจให้สูงขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นถ้าในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาศีลสร้างศีลบารมีไม่กระทำบาปต่างๆเพราะการกระทำบาปจะดึงใจให้ลงต่ำจากการเป็นมนุษย์นั่นเองตามความมนุษย์ก็คือเดรัจฉานเปรดอสูลกายและนรกนีที่ที่จะ สิ่งที่จะดึงใจให้ตกต่ำก็คือการไม่รักษาศีลก็คือการกระทำบาปห้าข้อใหญ่ๆคือการฆ่าสัตว์การรักทรัพย์ <c oughs> การประพฤติผิดประเพณีการพูดปดและการดื่มสุรายาเมาอันนี้คือการกระทำบาปที่จะขัดขวางการ ที่จะส่งใจของเราให้ขึ้นสูงได้เพราะฉะนั้นเราต้องไม่กระทำบาปเพื่อที่จะได้ไม่ดึงใจให้เราลงต่ำเพื่อที่เวลาที่เราทำบุญทาทานบุญรุ้ทานที่เราทานี้จะได้ส่งให้เราไปขึ้นไปสูงได้ให้มีความสุขมากขึ้นกว่าระดับของมนุษย์ได้ดังนั้นถ้าเราอยากจะขึ้น ยกระดับจิตใจของเราให้ขึ้นสูงกับมนุษย์ก็คือระดับเทพสูงกว่ามนุษย์ระดับมนุษย์ก็คือระดับเทพจิตใจนี้สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนสถานภาพได้เหมือนกับข้าราชการทหารตำรวจที่สามารถเปลี่ยนยศเปลี่ยนตาแหน่งได้ทำงานไปทำความดีไป ก็ได้เลื่อนขั้นจากฐานพลทหานธรรมดาก็ได้เป็นนายสิบนายจ่าแล้วถ้าทำไปเรื่อยๆก็ได้เลื่อนเป็นนายร้อยนายพันนายพลตามลาดับต่อไปอันนี้ก็เช่นเดียวกันจิตใจของเราก็มีมีขั้นมีตำแหน่งเหมือนกันขั้นของความสุขความเจริญของใจก็เป็นขั้นๆอยากขั้นมนุษย์ก็คือไปขั้นเทพ จนไปขั้นเทพได้นี้ต้องทำสองอย่างควบคู่กันไปคือรักษาศีลห้าให้ได้ไม่กระทำบาปห้าข้อคือไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดและไม่ดื่มสุรายาเมาหรือยาเสพติด ต, ต่างๆที่ทำให้เกิดอาการมึนเมาคุ้มคลั่งขึ้นมาพาเวลาเกิดความมึนเมา คุ้มคั่งแล้วก็จะห้ามยับยั้งจิตใจให้ไม่ให้ไปทำสิ่งที่เสียหายไม่ได้ไปอาลวาดสร้างความเสียหายให้กับผู้อื่นทำร้ายทรัพย์สินและทำร้ายชีวิตของผู้อื่นได้แต่ถ้าไม่ดื่มสวายาเมาไม่ดื่มไม่เสพยาที่ทำให้เกิดอาการคุ้มคั่งใจก็จะอยู่ในสภาพปกติโอกาสที่จะไปทำบาปก็จะยาก นี่คือบรารมีสองข้อที่เราจำเป็นที่จะต้องสร้างกันถ้าเราอยากจะยกระดับจิตใจของเราซึ่งตอนนี้เป็นระดับของมนุษย์ให้ขึ้นไปสู่ระดับที่สูงกว่ามนุษย์คือระดับเทพก็ต้องรักษาศีลห้าให้ดีสร้างศีลบรารมีศีลบรารมีก็คือศีลห้า แล้วก็สร้างทานบารมีหรือเติมทานบารมีเติมบารมีสองสองชนิดนี้<ม>ก็จะยกระดับใจของเราให้ขึ้นไปสู่การเป็นเทพทันทีโดยอัตโนมัติ<ม>แล้วก็ไม่ต้องรอให้ถึงเวลาตายแล้วถึงค่อยไปขึ้นไปเป็นเทพ<ม>ใจเหล่านี้จะเป็นไปโดยอัตโนมัติ<ม>โดยที่เราไม่ต้องรอให้ ร่างกายนี้ตายไปก่อนแล้วถึงจะสามารถเปลี่ยนใจของเราจากมนุษย์ให้ไปเป็นเทพได้ใจของเราสามารถเป็นเทพได้ในขณะที่ร่างกายเรายังเป็นมนุษย์อยู่ <Yes. S 1> เพราะร่างกายนี้เป็นสิ่งที่ไม่ไม่เกี่ยวกับใจไม่คนละเป็นคนละคนกันและบา ร, รมีที่ใจทานี้สร้างนี้ ก็ไม่เกี่ยวกับร่างกายไม่ได้ทำให้กับร่างกายร่างกายก็เป็นเหมือนเดิมร่างกายเขาก็มีทางไปของเขาร่างกายเขาก็ต้องไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายด้วยกันทุกคนไม่ว่าจิตใจจะเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทพก็ดีเป็นพรหมก็ดีเป็นพระอริยเจ้าก็ดีเป็นพระพุทธเจ้าก็ดี แต่ร่างกายของทุกคนเป็นเหมือนกันหมดร่างกายของทุกคนนี้ต้องเดินไปสู่ความแก่ความเจ็บและความตายในที่สุดแต่ใจนี้เป็นคนละเรื่องกันเป็นคนละคนกันใจมีทางขึ้นสูงแต่ต้องมีการกระทำที่จะทำให้ใจขึ้นสูงและมีทางที่จะลงต่ำได้ถ้าไม่ปิดกั้น การกระทาที่จะพาให้ใจลงต่ำก็คือการไม่ทำบาปนั่นเองถ้าปล่อยให้ใจทำบาปเนี่ยถึงแม้อยากจะไปเป็นเทพก็ไปไม่ได้เพราะว่าการกระทามันเป็นตัวที่จะให้เกิดผลกับจิตใจใจอยากจะไปเป็นไปสวรรค์ไปเป็นเทพเป็นพรหมไปเป็นพระอริยเจ้าแต่ใจกลับไปทำบาปอย่างนี้ แทนที่จะไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระระยะเจ้าก็กลับไปเป็นเดลฉานเป็นเปรตเป็นนสุรกายหรือเป็นนรกไปอันนี้คือเรื่องของจิตใจที่เราจะสามารถเปลี่ยนให้ดีขึ้นสูงขึ้นก็ได้หรือให้ต่ำลงก็ได้อยู่ที่การกระทาของเรานั่นเอง อย่างนั้นถ้าไม่อยากจะลงต่ําอย่าทําบาปอย่าฆ่าสัตว์อย่ า, า, ยารักทรัพย์อย่าประพฤติผิดประเพณีอย่าพูดปดอย่าเดิสุรายาเมาและของบุญเมาต่างๆแล้วถ้าอยากจะขึ้นสูง<ม>ก็ให้ทําบุญทําทานอยู่ตามกํากลังของเราทํามากทําน้อยก็จะได้สวรรค์ชั้นที่สูงสูงมากสูงน้อย สวรรค์นี้มีแบ่งไว้หกชั้นด้วยกันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองที่เราทำทานไปถ้าทำร้อยละร้อยละหนึ่งในหเราก็จะได้สวรรค์ชั้นที่หนึ่งถ้าทำสองในหของทรัพย์สินที่เรามีอยู่ มันก็จะได้ชั้นที่สองเพราะมีสวรรค์หกชั้นด้วยกันถ้าเราทำร้อยทั้งรอยคือมีมีหกส่วนก็ทำทั้งหกส่วนเราก็จะไปสวรรค์ชั้นสูงได้คือสวรรค์สูงสุดของชั้นเทพซึ่งคนที่จะไปชั้นเหล่านี้ได้ก็คนที่ต้องการที่จะไปบวชกันเพราะคนที่บวชนี้เขาก็จะไม่เอาทรัพย์ติดตัวไป ทรัพที่เขาไม่อยู่เขาก็จะยกให้คนอื่นไปทำทานไปเขาก็จะได้ไปสึงขั้นสูงสุดของชั้นเทพแต่เขาจะไม่ไปหยุดที่ตรงนั้นเพราะสิ่งที่เขาจะต้องการก็คือต้องการที่จะไปสูงกว่าชั้นเทพนั่นเองคนพวกที่ไปบวชนี่เขามีเป้าอยู่ที่ขั้นชั้นพระอริยเจ้าเลย แต่ก่อนจะไปชั้นอริยรเจ้าได้ก็ต้องออกจากชั้นเทพไปก่อนต้องไปชั้นเทพชั้นสูงสุดก่อนด้วยการบอยจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีอยู่นี้ไปให้หมดเลยแล้วไปอยู่แบบขอทานไปเป็นเศรษฐีคอยมีทรัพย์สมบัติเยอะแยะแต่พอถ้าอยากจะไปสวรรค์ที่สูงกว่าชั้นเทพอยากจะไปสู่มรรคผลนิพพานเนี่ย ก็ต้องออกบวชกันเช่นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็มีทรัพสมบัติมากมายแต่พระองค์ไม่ต้องการทรัพ์เหล่านี้เพราะท่านเห็นว่ามันเป็นทรัพชั่วคราวตายไปก็เอาเอาไปไม่ได้ท่านต้องการทรัพที่ท่านจะเอาไปได้ก็คืออริยทรัพท่านก็เลยต้องสละราชสมบัติ คือทำทานร้อเพราะสลาดราชสมบัติใจก็เป็นเทพชั้นสูงสุดแล้วก็พร้อมที่จะขึ้นสู่ชั้นที่สูงกว่าชั้นเทพได้คือชั้นพรหมชั้นพรหมก็คือการจะเข้าสู่ชั้นพรหมได้ก็ต้องมาสร้างบา ร, รมีอีกสองข้อนั่นเองบา ร, รมีที่จะต้องสร้างอีกสองข้อที่จะทําให้ใจของเรานี้ขึ้นสู่ ชั้นพรห ม, มโลกได้ก็คือการเติมเนคขมภะบาลมีและการเติมอุเบกขาบาลมีบาลมีสองข้อนี้เป็นเหตุหรือเป็นตั๋วที่เราจะต้องตีตั๋วกันถ้าเราอยากจะไปสวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์นี้ก็เป็นเหมือนกับสถานที่ที่เราไปเที่ยวกันอย่างนี้ย เขามักจะมีขายตั๋วกันว่าจะไปดูละครเรื่องนี้หรือจะไปดูคอนเสิร์ตนี้จะต้องตีตั๋วกันไว้ก่อนอันนี้ก็เหมือนกันสวรรค์ชั้นเทพก็ต้องตีตัว๋วสวรรค์ชั้นพรหมก็ต้องตีตัว๋วสวรรค์ชั้นอริยเจ้าก็ต้องตีตัวต๋วตั้งขั้นต้นเราก็ตีตั๋วชั้นเทพก่อนคือทํารักษาศีลห้าทำบุญทําทาน ให้หมดเลยมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเท่าไหร่ก็สละลอยจากไปหมดเพื่อที่เราจะได้ไปเติมบา ร, รมีอีกสองข้อก็คือเติมเนคขมะบา ร, รมีกับอุเบกขาบา ร, รมีเนคขมะบา ร, รมีก็คือการหยุดแสวงหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนี่เอง ในคำมมว่านี้แปลว่าการออกจากกามสุขการยุติการหาความสุขทางกามารมณ์ทางรูปเสียงกลิ่นรสผพผะจะไม่หาความสุขจากการดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสและสัมผัสกับสัมผัสที่เข้ามาสัมผัสทางร่างกายเพราะว่ามันเป็นความสุขของเทพของมนุษย์ซึ่ง เราไม่ต้องการเราต้องการความสุขของพรหมความสุขของพรหมนี้เกิดจากการทำใจให้เป็นอุเบกขาทาใจให้สงบนั่นเองทำใจพอใจสงบใจก็จะเป็นอุเบกขาเลยต้องมาเจริญอุเบกขาบารมีกันเจริญในคข ม, มะบารมีกันวิธีเจริญในคข ม, มบารมีก็คือการยุติการหา ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการมารักษาศีนแปดกันคือศีห้าที่เคยรักษาไว้ก็มาเติมอีกสามข้อท่านเองก็สีห้าที่เราเคยรักษาอยู่เราก็รักษาต่อไปแล้วมาเติมอีกสามข้อแล้วก็เปลี่ยนศีข้อสามของศีห้ามาเป็นสีของสีของศีข้อสามของศีแปด สินข้อสามของสินแปดก็คืออ ร, รัมจาริยาคือการประพฤติพรหมจรรย์สินห้าข้อสามสินข้อสามของสินห้าก็คือการไม่ประพฤติผิดประเพณีโดยถ้าถือสินห้านี้ก็ยังสามารถร่วมหลับนอนร่วมเพศกับบุคคลที่เป็นคู่ครองของเราได้แทนร่วมเพศกับภรรยาสามีเป็นต้นแต่ถ้ามา ถือศีลพรหมจารย์นี้เราก็หยุดการร่วมเพศกับหยุดหยุดกิจกรรมการร่วมเพศเลยไม่มีการร่วมเพศกับใครแม้จะเป็นสามีหรือภรรยาของตนกต็ต่างเพราะมันเป็นความสุขของเทพเราต้องการจะไปเป็นพรหมพรหมไม่สุขพรหมไม่เสพความสุขของเทพพรหมจะเสพความสุขของพรหม ถ้ายังไปเสพความสุขของเทพยอยู่ก็ไม่สามารถที่จะไปเสพความสุขของพรหมได้นั่นเองอย่างนั้นการที่จะไปเป็นพรหมได้ไปสวรรค์ชั้นพรหมได้จึงต้องยุติการเสพความสุขของของเทพคือความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายทางรูปเสียงกลิล่นรสพุพธะต้องหยุดเช่นการร่วมหลับนอนการร่วมเพศกันนี้ก็เป็นความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ต้องยุติลงให้ถือศีลพรหมจรรย์แทนแล้วก็เพิ่มศีลข้อหก็คือปกติเราจะรับประทานอาหารนี้บางทีเรารับประทานเพื่อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราเลือกชนิดอาหารที่เราชอบต้องกินอาหารชนิดนั้นกินอาหารชนิดนี้อันนี้แหละเรียกว่าเป็นการเสพรูปเสียงกลิ่นรสของอาหารแล้วก็จะ รับประทานแบบไม่มีวเวล่ำเวลาเวลาใดอยากจะเสพก็สามารถเสพได้เพราะการถือศีลห้านี้ไม่ได้มีการห้ามว่าจะให้รับประทานกี่ครั้งกี่เวลาสามารถกินได้ทั้งวันทั้งคืนถ้าอยากจะกินไม่ผิดศีลห้าศีลห้าไม่ห้ามเรื่องการกินกินเท่าไหร่ก็กินไปเพราะนี่คือความสุขของเทพกินได้ แต่ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนความสุขของเทพมาเป็นความสุขของผมเราก็ต้องหยุดกินแบบนี้หยุดกินเพื่อความสุขแต่ให้กินเพื่อเลี้ยงดูร่างกายได้เพราะร่างกายนี้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นที่จะต้องได้รับอาหารเราก็กินอาหารแบบเหมือนกินยาเราอย่าไปเลือกอาหารว่าจะต้องถูกปากถูกใจกินอาหารตามนี่ตามเกิด กินอาหารเรียบง่ายวิธีที่จะกําจัดการกินอาหารที่เป็นการหาความสุขก็ลองกินอาหารที่เราไม่ชอบกินกินอาหารที่เราไม่ชอบหรือถ้าจะกินอาหารที่เราชอบก็ได้แต่ต้องเอามารวมกันมาคลุกกันอาหารที่จะเข้าไปในท้องเราเนี่ยก่อนจะเข้าเข้าไปในท้องเอามารวมกันอย่าไปแยกกันอาหารข้าวหวานขนมผลไม้ อะไรต่างมาใส่ภาชนะอันเดียวกันแล้วก็มาคลุกกัน<ม>ให้เป็นเหมือนกับเวลาที่มันเข้าไปอยู่ในท้อง<ม>นี่คือการกินเพื่อเลี้ยงดูร่างกายไม่ได้กินเพื่อเสพกามไม่ได้กินเพื่อเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะของอาหารแล้ว ก, กินแบบเนียแบบพระที่ท่านมีการถือธุดงค์ค่ะว่าฉันอาหารในบาทการฉันอาหารในบาทนี่ก็เป็นเป็นการ ทำลายการเสพอาหารเพื่อความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองเอาอาหาร ช, ชนิดต่างๆข้าวหวานอาหารที่จะเข้าไปในท้องนี่แหละให้มันมารวมกันในในบาตก่อนแล้วก็คนมันคุกมันเหมือนกับเวลาที่อาหารมันเข้าไปในท้องนราเวลาอาหารเข้าไปในท้องมันไ ม, ม, นไม่มันไม่มีช่องแยกใช่ไหมว่าในท้องเรานี้มีช่องอาหารคาวช่องอาหารหวาน ช่องผ ล, ลไม้มันไม่มีหรอกในท้องเราเนี่ยมันก็เป็นเหมือนชามใบหนึ่งแนคะ่ในท้องเราเราอาหารอะไรต่างๆตอนที่เรากินเราอุตส่าห์แยกกันอย่างดีเลยนะแยกอาหารต้องกินอาหารอย่างนี้ก่อนล้กกินอาหารอย่างนั้นคุกกันไม่ได้ติดกันไม่ได้บางทีอาหารเปืดอเพื่อนหน่อยก็ก็กินไม่ลงนะถ้าอาหารไปทาให้ไปไปเปื่อนขนมเ ค, ค้กอย่างนี้บางทีก็ไม่อยากจะกินนะ ต้องแยกกันออกไปอันนี้คือกินแบบเสพตามกินแบบเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสกินแบบต้องแยกแยะ ก, กันแต่ถ้ากินเพื่อเลี้ยงดูร่างกายกินเหมือนเหมือนกับการเติมยาให้กับร่างกายก็เอาเข้าไปในปากแล้วให้มันเข้าไปในท้องเท่านั้นเองเป้าหมายก็คือให้มียาเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายในท้องเช่นเวลาเรากินยาเราก็ไม่เลือกใช่ไหมว่ายาจะต้องเป็นสีนั้นสีนี้ เป็นรูปกลมรูอรูปเรียวเป็นแคปซูลหรือไม่เป็นแคปซูลแล้วแต่หมอจะสั่งมาหมอสั่งให้กินยาแบบไห น, นถึงเวลาก็เอาเข้าปากคืนม่เข้าไปมันก็จบการกินอาหารแบบแบบพรมมันก็ต้องกินแบบนี้คนที่ต้องการจะเป็นพรมนี้จาเป็นจะต้องไม่ไปแสวงหาความสุขจากรสชาติของอาหารกินอาหารเพื่อเลี้ยงดูร่างกายเป็นเหมือนกับเติม เติมธาตุให้กับร่างกายเพื่อให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยและไม่หิวโหวยเทานั้นเองอ น, นี่คือที่มาของศีลข้อหกคือการไม่รับประทานอาหารเพื่อเสพรูปเสียงกลิ่นกินเพื่อเลี้ยงดูร่างกายจึงไม่จาเป็นจะต้องกินทั้งวันทั้งคืนกินเพียงแค่มือ้อสองมื้อก็พอแล้วก็สามารถทำได้ภายในช่วงเช้าถึงเที่ยงเป็นอย่างมาก หลังจากเที่ยงวันแล้วก็ไม่ไม่กินอาหารอีกต่อไปเพราะว่าร่างกายได้อาหารพอเพียงแล้วกินมื้อเช้ามื้อกลางวันนี้สองมื้อก็เหลือเฟือแล้วสาหรับนักปฏิบัติถ้าเป็นพระนี่บางทีท่านเอาแค่มื้อเดียวเสียได้ซ้ำไปเพราะท่านว่ามันยุ่งยากทำไมต้องแบ่งเป็นสองมือ้อก็กินมันทีเดียวเอาสองมื้อมากินรวมกันเลยก็ได้กินมันให้พุงกลางไปเลยเิมให้มันเต็มที่ไปเลย จะได้ไม่ต้องมาคอยเสียเวลามาคอยนั่งรอกินกินมื้อเช้าไปเดี๋ยวอีกสักสามสี่ชั่วโมงก็เอากินอีกแล้วเอามันทีเดียวรอบเดียวไปให้มันจบเลยดีกว่าเหมือนกับเวลาที่เราไปเติมน้ํามันรถยนต์นี้เราไม่เราไม่เลือกเติมเป็นเวลาใช่ไหมเดี๋ยวตอนเช้าไปเติมครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวตอนกลางวันไปเติมอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวตอนเย็นะไปเติมอีกครั้งหนึ่งตอนก่อนนอนก็แวะไปเติมอีกครั้งหนึ่ง ไม่จำเป็นจะต้องเติมแบบนั้นเพราะน้ำ ม, นมันมันก็เข้าไปอยู่ในถังจะเติมกี่ครั้งมันก็ไปในที่ในถังนั่นเหมือนกันงั้นถ้าเราเติมให้มันเต็มเต็มที่ครั้งเดียวมันก็เติมเต็มถังใบหนเดียวก็จบมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเราจะได้มีเวลาไปทำภารกิจอย่างอื่นที่จำเป็นคือการทำใจให้สงบดังนั้นการรับประทานอาหารเพื่อที่จะไม่ไปขัดขวางการสร้างความสุขของพรหม คืออุเบขาที่เราต้องการนี้เราก็ต้องกินให้มันเรียบง่ายและใช้เวลาให้น้อยที่สุดพระนักปฏิบัตินี้ท่านก็เลยบางทีก็ฉันมือเดียวไปแล้วถ้าบางทีบางครั้งบางคราวถ้าท่านเห็นว่าฉันมือเดียวมันก็ยังยุ่งยากบางครั้งท่านก็อดไปเลยก็มีสามวันกินสักครั้งหนึ่งสี่ห้าวันกินสักครั้งหนึ่ง ร่างกายก็อยู่ได้แต่ท่านจะได้มีเวลาว่างเพราะว่าถ้าเป็นพระนี่ถ้าเวลาจะฉันนี่ต้องมาบินธบาตต้องมาพบปะกับคนนั้นคนนี้ต้องมาร่วมกิจกรรมทำเกี่ยวกับเรื่องขบฉันอาหารวันหนึ่งการจะเสร็จก็หมดเวลาไปสี่ห้าชั่วโมงด้วยกันบางองค์ท่านไม่อยากที่จะต้องมาเกี่ยวข้องกับคนไม่ต้องการจะมารบับรู้รู้เสียงกลิ่นลดเพราะการที่จะทําใจให้สงบนี้ต้อง อยู่คนเดียวเดกวิเวกไม่มารับรู้เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนั้นการอดอาหารนี่ก็เลยเป็นวิธีหนึ่งที่จะทาให้ไม่ต้องออกมาบินทบาทกันเ ม, มื่อเมื่อไม่ฉันอาหารก็ไม่จำเป็นจะต้องบินทบาทไม่ต้องมาทำกิจกรรมที่ศาลาหลังจากกลับมาจากบินทบาทก็เลยบางทีพระที่ท่านมีความ มีความต้องการความสงบสูงท่านก็ยอมลำบากทางร่างกายก็อยอมอดอาหารแต่เพื่อประโยชน์ทางใจใจของท่านก็จะได้ปีกวิเวกอย่างต่อเ น, นื่องไม่ต้องมาสะดุดกับการที่จะต้องมาบินทบาทมาพบกับคนนั้นคนนี้เพราะเวลาจิตออกมาพบสิ่งนั้นสิ่ง น, นี้จิตมันจะฟุ้งขึ้นมามันจะปรุงแต่งขึ้นมา แต่ถ้าอยู่ในป่าคนเดียวนี้มันจะไม่มีอะไรมากระตุ้นให้จิตฟุ้งนั่นเองมันจะทําให้ทําการทําอุเบกขานี้มันง่ายขึ้นฉันก็เลยบางครั้งก็เลยอดอาหารกันฉันงัน ว, วันสามวันอดสามวันฉันครั้งหนึ่งบางครั้งบางช่วงช่วงที่เข้าได้เข้าเข็มนี่บางทีก็ห้าวันฉันครั้งหนึ่งก็มีเจ็ดวันฉันครั้งหนึ่งก็มีเพราะช่วงนั้นมันเหมือนกับอ กำลังติดพันกับภารกิจของการทําใจให้สงบกําลังเข้าได้เข้าเข็มก็เลยไม่อยากจะมาเสียเวลาให้กับการมากินอาหารกินอาหารก็เป็นเหมือนกับเป็นการพักยกเหมือนนักมวยกําลังจะจะนอกคู่ต่อสู้แล้วก็พอดีระครังตีแก้งต้องพักแยกตัวไปไปกินน้ําไปอะไรพักเอาแรงคู่ต่อสู้ที่กําลังจะถูกนัด ก, ก็เลยมีเวลาที่จะไปฟื้นฟู ก, กําลัง เดี๋ยวพอกลับมาสู้กันใหม่อแารที่จะน็อกกลับยากขึ้นนะสิเพราะคู่ต่อสู้เขามีเวลาได้พักได้มีเวลาคิดถึงวิธีการต่อสู้ของเขาแล้วเขาก็เลยมามาม า, มาลูกไม้ใหม่มาเล่นมาสู้กันใหม่มันก็เลยทําให้มันการที่จะน็อกคู่ต่อสู้ก็เลยเป็นการยากขึ้นไปอีกอย่างนั้นเวลาที่ปฏิบัติแล้วมันเข้าได้เข้าเข็มเนี่ยมันไม่อยากจะ เสียเวลาของการมาฉันอาหารก็เลยบางทีหยุดกันยาวไปเลยห้าวันบ้างเจ็ดวันบ้าง<ม>แล้วถึงค่อยออกมาฉันสักครั้งหนึ่ง<ม>อันนี้แหละเป็นเรื่องของการทําใจให้สงบเรียกว่าอุเบกขาบารมีต้องพยายามอย่าให้การเติมอาหารเลี้ยงดูร่างกายนี้มาเป็นอุปสรรคต่อการเจริญอุเบกขาบารมี กินมันหนเดียวหรือบางทีก็อดมันไปเลยไม่ต้องไปกินอะไรไม่ตายดื่มน้ำเปล่าเพราะาเรามีร่างกายสะสมอาหารไว้เยอะมีอาหารส่วนเกินไว้เยอะน้ำหนักเกินเนี่ยแสดงว่ามีอาหารสะสมไว้เยอะถ้าเป็นเงินก็เหมือนมีเงินฝากไว้ในธนาคารเยอะหยุดทำงานสักปีไม่เดือดร้อนหรอกมีเงินเก็บได้เ<ม>บิกเอาเงินที่เก็บไว้ในธนาคารนี้มาใช้ได้อันนี้ก็เหมือนกันนะ คนที่มีน้ํำหนักเกินเนี่ยสบายมากอดไปเถอะไม่ไม่มีผลเสียหายต่อร่างกายกับมีประโยชน์เพราะจะลดโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากการกินอาหารมีน้ําหนักเกินเกินพิกัดของร่างกายโรคที่จะเกิดจากเนาะการกินมากเกินไปก็คือโรคความดันโรคไ ข, ขมันโรคเบาหวานโรคอะไรต่างๆ เนี่ยพอลดน้ำหนักลงท่านโรคเหล่านี้ก็จะหายไปทันที น, นี่คือเรื่องของศีลข้อหกในเนคข ม, ม่าบารมีไม่หาความสุขจากการจากการรับประทานอาหารไม่เสพลูกเสียงกลิ่นรสของอาหารกินแต่อาหารกินแบบกินยาแล้วเราไม่ไม่ต้องกินมากไม่ต้องกินบ่อยถ้าเริ่มต้นก็อาจจะเอาเอาสองมื้อก่อนเพราะเรายังไม่เคยฝึกมา คอยกินสา ม, มื้อมื้อเช้ากลางวันเย็ยนทูตเจ้าก็เลยบอกว่าเอาเอ า, เอาแค่สองมื้อก่อนก็แล้วกันเอาแค่เช้าและกลางวันหลังจากเที่ยงวันแล้วก็อย่าไปกินัจะได้ใจจะได้มีเวลาว่างมาทําจิตภาวนามาทําใจให้สงบกันเพราะถ้ายังกินมื้อเย็นอยู่มันก็จะมาคอยคอยนึกถึงอาหารมื้อเย็นต่อจะนั่งสมาธิมันก็ไม่มีกรจิตกระใจอยากจะนั่งเพราะมันยั ง, ยง อย่าคิดถึงเวลาที่จะต้องไปกินอาหารมื้อเย็นอีกก็เลยตัดตัดปัญหาไปคือหลังจากเช้งวันไปแล้วจะได้ไม่ต้องมาพะวงไม่ต้องมากังวลไม่ต้องมาคิดว่าจะกินอาหารอะไรดีในของมื้อเย็นตัดไปเลยแล้วการกินอาหารไม่มากนี้ก็มีประโยชน์ต่อการเจริญเนคขมภะบารมีคือมันจะทําให้ร่างกายไม่ง่วงเหงาหาวนอนสังเกตดูเวลาที่เรานั่งสมาธิกันนี้ ทำใจให้สงบให้เป็นอุเบคานีบางทีมักจะหาวกันมักจกนั่งเรานั่งสับประงกกันอันนี้เป็นผลที่เกิดจากเรากินอาหารมากเกินไปแต่สำหรับคนที่ไม่กินอาหารมากเนี่ยกินแค่มื้อกลางวันแล้วหลังจากนั้นบ่ายไปนี่มันจะไม่ง่วงเพราะมันร่างกายมันท้องมันว่างมันจะรู้สึกว่ามีความรู้สึกหิวนิดหน่อย ความหิวนี่แหละเป็นตัวที่มากระตุ้นให้เกิดสติมาเป็นตัวที่ทำลายความง่วงได้อย่างดีคนที่มีปัญหาที่ว่าเวลานั่งสมาธิรัทําไมยชอบหลับนี้ก็อยากจะแก้ปัญหาก็ต้องแก้ด้วยวิธีนี้แหละคือกินให้น้อยลงไปพระเจ้าบอกการภาวนาที่จะได้ผลดีนี้จะต้องมีการบริโภคอาหารโดยประมาณมัตตัญญาโภชนาะ ต้องรู้จักความพอดอีความต้องการของร่างกายและความต้องการของจิตใจกินอาหารมากเกินไปดีสำหรับร่างกายแต่ไม่ดีสำหรับจิตใจเพราะทำให้เกิดอาการง่วงเหงาเหานอนขึ้นมากินอาหารน้อยหน่อยไม่เป็นภัยต่อร่างกายแต่เป็นประโยชน์ต่อใจเพราะท้องที่ว่างนี้มันจะทำให้มีสติมากขึ้นความหิวนี้มันจะมากระตุ้นให้ใจตื่นตัวขึ้นมา ่ง่วงเหงาเหานอนดังนั้นผู้ที่ต้องการเจริญเนคขมะบาลมีก็อย่างน้อยก็ต้องถือศีลข้อหกนี้ให้ได้ถ้าต้องการที่จะไปเจริญเนคขมะบาลมีเอ่อเจริญอุเบกขาบาลมีคือทําใจให้สงบต้องเจริญเนคขมะบา ร, รมีก่อนศีลข้อหนี้ก็คือให้กินน้อยๆกินเท่าที่จําเป็นอันนี้เป็นเรื่องศีลข้อ 6. ส่วนศีลข้อเจก็คือ ให้เราตัดเรื่องการไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจากการบันเทิงจากการามโหฬาราศต่างๆร้องนําทําเพลงเนลิกกินดื่มต่างๆดูฟังอะไรต่างๆนี้เริก แ, แม้กระทั่งความเสริมสวยความงามของร่างกายนี้อย่าไปหาความสุขจากพฤติกรรมเหล่านี้เลยเพราะว่ามันเป็นความสุขของเทพ มันจะมาเป็นตัวกีดขวางความสุขของพรหมที่ดีกว่าที่ที่มากกว่านั้นเองถ้าอยากจะได้ความสุขของพรหมก็ต้องตัดความสุขของเทพไปตัดความสุขที่ได้ทางตาหูจมกูกลิ้นกายไปเพื่อที่จะได้ความสุขของพรหมเพราะว่าถ้าใจไม่ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสมันก็จะมีเวลาถ้ายังไม่ยุติการเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็จะเสียเวลาให้กับการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรส ไปดูทีวีไปเที่ยวตามสถานที่บันเทิงต่างๆดูภาพยนตร์ไปร้องนาทำเพลงอะไรกันเวลาก็จะหมดไปกับการหาความสุขของเทพก็จะไม่มีเวลาที่จะมาหาความสุขของพรหมได้นี่คือคือหน้าที่ของศีลข้อที่เจ็คือยับยั้งการหาความสุขของเทพแล้วเปลี่ยนมาหาจะได้มีเวลามาหาความสุขของพรหม คือการมาทำใจให้สงบให้เกิดอุเบกขาขึ้นมาเรียกว่าเป็นการเจริญอุเบกขาบารมีนี่นี่คือสองข้อสองข้อที่จะทำให้ใจเราเปลี่ยนจากจากเทพขึ้นมาเป็นพรหมได้สองข้อแรกคือเปลี่ยนใจจากมนุษย์ให้มาเป็นเทพก็คือการรักษาศีลห้าศีลบารมีและการทำบุญทำทานคือทานบารมี บารมีสองข้อแรกคือศีลบารทานบารมีกับศีลบารมีนี้อย่ายกระดับใจอย่ายกระดับความสุขของใจจากความสุขของมนุษย์ให้ขึ้นมาเป็นความสุขของเทพยกใจจากจากฐานะมนุษย์ให้มาเป็นเทพได้ต้องมีบารมีสองข้อนี้ต้องทําอย่างต่อเนื่องทําเป็นกิจวัตรประจําตัวอลไไม่ใช่ทําแต่เฉพาะวันพระวันเดียว ที่ให้มาทําวันพระวันเดียวก็เพื่อเป็นการฝึกเป็นการเริ่มต้นนั่นเองแต่เป้าหมายที่แท้จริงนี้เมื่อได้ฝึกแล้วได้ทําแล้วก็ให้ทําไปทุกวันทําทานทุกวันรักษาศีลไปทุกวันใจก็จะได้เป็นเทพทุกวันนั่นเองถ้าทําแต่วันพระวันเดียวก็จะเป็นเทพวันเดียวพอวันอื่นก็ไปทําบาปไม่ทําบุญทําทานใจก็เปลี่ยนไปเป็นมนุษย์บ้างหรือถ้าเร็วกว่านั้นถ้าทําบาปก็จะ กลายเป็นเดรัจฉานกลายเป็นเปรตไปก็ได้ดังนั้นถ้าทำแล้วก็ต้องพยายามทำให้ทุกได้ทุกวันถ้าทำเฉพาะวันพระก็จะเป็นเทพเฉพาะวันพระแต่พร้อวันที่ไม่ทำก็จะกลับไปเป็นมนุษย์หรือหรือถ้ามากกว่านั้นต่ำกว่านั้นก็จะกลายเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตไปได้แต่ที่ให้มาทำในวันพระก่อนก็เพราะว่าเป็นการเริ่มต้น เวลาเริ่มต้นนี้มือใหม่หัดขับนี้จะให้ทำเยอะๆเดี๋ยวจะทำไม่ไหวต้องให้ทำาทละเล็กเท่าน้อยฝึกไปก่อนเหมือนเด็กที่เพิ่งหัดยืนหัดยืนหัดเดินนี่ก็ให้เดินให้ยืนได้สักสองสาวินาทีก่อนแล้วก็นั่งลงไปใหม่ล้มลุกคุกคานไปก่อนแต่ทำไปเรื่อยๆต่อไปก็จะมีกำลังมากก็จะยืนได้นานขึ้นเดินได้นานขึ้น อันนี้ก็เหมือนกันเวลาที่เราเริ่มต้นทําใหม่ๆก็เอาแค่วันพระก่อนทําไปแล้วรู้สึกก็ดีมีความสุขมากขึ้นก็อาจจะเพิ่มเป็นสองวันก็ได้เพราะเราทำงานมีวันหยุดสองวันเราก็ทำไปแล้วก็เพิ่มการกระทำให้มากขึ้นไปส่วนวันที่เราไปทํางานการยกระดับเป็นเทพนี้เราสามารถทาได้ในวันทางานเราก็ทาได้ ว่าเราสามารถรักษาสิลห้าควบคู่ไปกับ ก, บการทำมาากินได้แล้วเราก็าทาบุญทำทานได้สมัยนี้มีการทาบุญอย่างสะดวกถ้าหาพระใสบาตรไม่ได้ก็ย้อนเงินเข้าบัญชีวัวดไปก็ได้หรือจะเอาเงินที่ไปซื้ออาหารใสบาตรนี้เก็บไว้ในกระปุกก่อนก็ได้แล้วพอเ ว, เวลาวันพระทีก็เอาเงินที่เก็บไว้ในกระปุกนี้ มาทำบุญใส่บาตในวันนั้นแทนก็ได้แต่คนจะทำทุกวันมันจะได้ติดเป็นนิสัยจะได้ทำได้ง่ายถ้านานๆทำทีมันจะรู้สึกยากมันจะรู้สึกเสียดายเงินทองแต่ถ้าทำบ่อยๆทำทุกวันแล้วมันจะรู้สึกง่ายเพราะมันทำแล้วมันมีความสุขยิ่งทำบ่อยๆทำมากๆมันจะเห็นมันจะสัมผัสกับความสุขได้มากขึ้นนั่นเองถ้านานๆทำทีนี้บางทีมันยังจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ แต่ถ้าทําไปเรื่อยๆทำไปทุกวันแล้วมันจะสังเกตได้ว่าทุกครั้งที่เวลาได้ทําบุญทําทานนี้รู้สึกใจจะมีความอิ่มเอิบมีความสุขนี่คือการยกระดับของของมนุษย์ให้ไปเป็นเทพก็คือสองข้อแรกนี้ทําทานรักษาศีลห้าแล้วถ้าทําได้แล้วอยากจะขึ้นไปสูงกว่า น, นั้นเราก็มายกระดับจากจากการเป็นเทพไปสู่การเป็นพรหม ก็เป็นเหมือนกับการขึ้นเงินเดือนขึ้นขั้นขึ้นตำแหน่งนะถ้าเป็นนายร้อยนี่เงินเดือนมันน้อยกว่านายพันใครเป็นนายร้อยแล้วก็อยากจะขึ้นไปเป็นนายพันกันทั้งนั้นไม่มีใครอยากจะอยู่ติดเป็นนายร้อยไปตลอดใครเป็นนายพันก็อยากจะขึ้นไปเป็นนายพลต่อไปเพราะรู้ว่าตําแหน่งสูงขึ้นรายได้ก็มากขึ้นเงินเดือนก็มากขึ้นอํานาจก็มากขึ้นบารมีก็มากขึ้นอันนี้ก็เหมือนกันความสุข ของเทพก็จะน้อยจะน้อยกว่าความสุขของพรหมความสุขของเทพมากกว่าของของของมนุษย์แล้วก็ความสุขของพรหมมันก็จะมากกว่าของเทพและความสุขของพระอริยเจ้าก็จะมากกว่าของพรหมมันก็จะมันมันก็จะทำให้เรามีการกระตุ้นที่อยากจะพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปตามลำดับพอเราได้ได้ขึ้นจากเทพมาสู่ขั้นพรหมคือเราสามารถ จเจริญเนคขมะบาลมีได้คือถือศีลแปดได้แล้วศีลแปดเ 8, มื่อกี้ขาดอีกข้อนึงก็คือข้อ8ข้อ8ก็คือไม่นอนให้มากเกินไปนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายก็พอแต่ไม่ให้หาความสุขจากการหลับนอนการที่จะทําให้เรานอนไม่มากก็คือนอนบนพื้นแข็งๆอย่าไปนอนบนเตียงสําลานใหญ่โตมโหลา น, นอนแล้วมันจะติดเพราะมันสุขมันสบาย ร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอแล้วพอตื่นขึ้นมามันจะไม่อยากลุกมันจะขอนอนต่อแต่ถ้าให้มันนอนบนพื้นแข็งๆเนี่ยนอนกับพื้นปูด้วยผ้าด้วยเสือ่อพอร่างกายได้พักผ่อนหลับนอนพอเพียงแล้วมันก็จะตื่นขึ้นมาพอตื่นขึ้นมามันก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายก็จะได้ลุกขึ้นมาจะได้มีเวลาเอาเวลามาทาทาใจให้สงบให้เป็นสร้างเนื้อมะบามีขึ้นมานั่นเองนี่คือ การเจริญบา ร, รมีสองข้อคือเนคข ม, มะบา ร, รมีกับอุเบกขาบา ร, รมีเนคข ม, มะก็ถือสิลแปอุเบกขาก็คือทําใจให้สงบการจะทําทใจให้สงบก็ต้องมีสติคอยยับยั้งความคิดต่างๆวิธี่จะทําทให้เรามีสติก็ต้องใช้พุทธานุสติหรือกายากตาสติหรืออานาปนาสติคือใจเราต้องจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพื่อที่จะได้ไม่ไปคิดเรื่องอื่น เช่นให้เราจดจ่ออยู่กับพุโทโธพุโทโธตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธไปเลยถึงแม้เราจะต้องไปทําภารกิจอะไรก็ทําพุโทโธควบคู่ไปได้ไปอาบน้ําล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วอย่าไปคิดถึงอนาคตให้อยู่กับพุโทโธอยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่ในปัจจุบันก็เรียกว่าพุทธานุสติหรือกา ย, ยากตาสติแล้วเวลาที่เรามานั่งสมาธิเราก็เปลี่ยนจากพุท พุทธานุสติหรือกายคตาสติมาเป็นอาณาปนาสติก็ได้นั่งหลับตาแล้วก็ดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกดูที่จุดเดียวไม่ต้องตามลมเข้าออกเพียงแต่ให้รู้ว่าลมเข้าลมออกก็พอรู้อยู่กับลมเพื่อที่จะได้ไม่ไปคิดเรื่องอื่นถ้าไม่รู้ลมปั๊บมันก็แสดงว่ามันไปคิดเรื่องอื่นแล้ถ้าไปคิดเรื่องอื่นมันก็ไม่รู้ว่าตอนนี้กำลังหายใจเข้าหรือหายใจออก แต่ถ้าเรารู้ว่าเรากาลังหายใจเข้าหายใจออกเราก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้<ม>ถ้าเราไม่ไปคิดเรื่องอื่นได้ใจอยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวใจก็นิ่งสงบเป็นอุเบกขาขึ้นมาอุเบกขาก็คือความความนิ่งเฉยของใจความปราศจากอารมณ์ต่างๆไม่มีความรักความชามังความกลัวความหลงเวลาไปสัมผัสอะไรใครพูดอะไรจะชมนูจะด่าก็เฉย ไม่ยินดีไม่ยินร้ายนี่คือเบกขาเราต้องพยายามฝึกให้มันมีมากๆมันจะมีมากก็อยู่ที่การเรานั่งสมาธิได้นานเท่าไหร่นิ่งได้นานเท่าไหร่ยิ่งนิ่งได้นานเท่าไหร่เวลาเอามาจากสมาธิมันก็จะเฉยได้ได้นานขึ้นแล้วถ้าเราอยากจะให้มันเฉยอย่างถาวรเราก็ต้องปรับเราก็ต้องเพิ่มการปฏิบัติคือยกระดับจิตใจของเราจากระดับของพรหม ให้ขึ้นไปสู่ระดับที่สูงกว่าผมก็คือระดับพระอริยเจ้าและการจะขึ้นสู่ระดับพระอริยเจ้าได้ก็ต้องอาศัยปัญญาบารมีปัญญาบารมีคืออะไรก็คือความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรูุ้นั่นเองคืออริยสัจ ส, สีกับใจรักษณให้เรารู้ว่าความไม่สงบของใจเราความความสูญเสียในคำว่าไอ้ความสูญ เ, เสียอุเบกขาของใจเราเกิดจากความอยาก เวลาเกิดความอยากทีใจที่สงบนี่จะจะจะกระเพิ่มขึ้นมาทันทีจะเริ่มวุ่นวายขึ้นมาทันทีเป็นตอนนี้พวกที่อยากจะเป็นนายกกันอยากจะเป็นสสกันเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับกันเนี่ยต้องเพราะว่ามันเกิดความอยากขึ้นมาแล้วแต่พวกเรานี่ไม่ได้อยากเป็นสสไม่ได้เป็นนายกไม่สบายไม่มีความรู้สึกวุ่นวายใจเพราะว่าไม่มีความอยากเป็นนั่นเองั แล้วถ้าเราอยากจะหยุดความอยากเป็นนี้เราต้องใช้ไตลักษณ์ว่าให้พิจารณาว่าสิ่งที่เราอยากเป็นเช่นเป็นอยากเป็นนายกอยากจะเป็นรัฐมนตรีอยากเป็นสะสนมันก็เป็นของชั่วคราวมันไม่ได้เป็นไปตลอดชีวิตหรอกเป็นได้ไม่นานเดี๋ยวก็จบบางทีก็จะถูกปฏิวัติก็มีบางทียังไม่ครบวาระสี่ปีก็ถูกเขาปฏิวัติก็มีหรือบางทีถูกพวกเดียวกันเปลี่ยนเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนเสียงเลือกนายกใหม่ อภิปัยไม่ไว้วางใจ<ม>พอไม่ได้เสียงเป็นนายกก็สิ้นสบายไปหมดไป<ม>ให้พิจารณาว่ามันไม่ของไม่เที่ยงเวลามันเสื่อมมันหมดมันจะทําให้เราทุกข์<ม>แล้วก็เป็นของที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาบังคับว่าต้องเป็นนายกให้ครบตลอดไปมันเป็นบังคับไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรในโลกนี้บังคับมันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้ถึงเวลามันจะหมดเมื่อไหร่มันก็หมดได้ทันทีทันใดเนี่ย ให้เห็นว่ามันเป็นอนัตตาทุกอย่างที่เราโลภเราอยากนี่เป็นอนัตตาเป็นเป็นอนิจจังเป็นของชั่วคราวถ้าเราไปยึดไปติดเราจะทำให้เราทุกข์กันถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากได้สิ่งเหล่านี้ตัดความอยากพอตัดความอยากได้ใจก็กลับมาสงบเย็นสบาย อ, อันนี้หลังจะเป็นความเย็นสบายความสุขที่แท้จริงที่ถาวนเปยความสุขที่ปราศจากความอยากต่างๆ ที่เกิดจากการดับความอยากต่างๆอันนี้แหละจะทำให้ใจกายเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาแล้วก็จะเป็นพระอริยบุคคลถึงขั้นสูงสุดได้เมื่อถึงขั้นสูงสุดแล้วก็ใจก็จะสงบใจก็จะมีความสุขตลอดเวลาถ้าสามารถกาจัดความอยากต่างๆที่มีใ น, นใจให้หมดสิ้นไปได้ด้วยการเห็นไตรลักษณ์ด้วยการเห็นอริยสัจสี่นีง นี่คือการยกระดับจิตใจให้ถึงขั้นสูงสุดด้วยการสร้างบารมีต่างๆมาเกิดเริ่มต้นด้วยทานบารมีศีลบารมีเนคข ม, มะบารมีอุเบกขาบารมีและปัญญาบารมีเป็นสิ่งที่เราต้องปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอนไปอย่าไปข้ามขั้นเพราะว่าความยากง่ายมันต่างกันถ้าขั้นต่ำยังไม่ได้อยาไปทําขั้นสูงนี่มันยากกว่า ต้องทำขั้นต่ำให้ได้ก่อนทำทานให้ได้ก่อนรักษาศีลห้าให้ได้ก่อนแล้วถึงค่อยไปรักษาศีลแปดแล้วค่อยไปปีกวิเวกไปฝึกสมาธิอยู่คนเดียวแล้วค่อยไปศึกษาปัญญาศึกษาไตรลักษณ์ศึกษาอริยสัจสี่แล้วเราก็จะสามารถทับยกระดับจิตใจของเราให้ขึ้นสูงไปตามลำดับจนถึงขั้นสูงสุดได้ นี่คือภ า, ารกิจทางด้านจิตใจที่พระเจ้าส่งมอบให้ชาวพุทธเรามากระทำกันในวันพระนี้ถ้าพวกเรามีศรัทธาความเชื่อนำมาไปปฏิบัติได้ผลที่จะเกิดที่พระเจ้าได้ทรงแสดงไว้นั้นจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคือการเลือ่อนลำดับจิตใจให้สูงขึ้นไปจากขั้นมนุษย์ไปเป็นเทพจากขั้นเทพไปเป็นขั้นพรหมและจากขั้นพรหมไปเป็นพระอริยะเจ้าในตามลําดับต่อไปอย่างแน่นอน การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาวิวาหาปูราปริปูเรนติสาคลังเอวเมวะอิตุทินางเปตานังอุปก ป, กปับปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวะสนิจะตุสัพเทปูเรนตุสังกปา จันโทปนาระโสยธามณิโชติอะระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันโุสัพพะโรโขวินัสสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศีลิสานิจจังวุฒาปะจายโน ชตารวธรรมวทานติอายุวโนสุขังพาลาช่วงต่อไป น, นี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยจะาถามเองก็ได้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ รือถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทาง YouTube ก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กาบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ528ยท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์314ท่าน YouTube Dr.V c h ร n n e ชน 91ท่านวิทยุออนไลน์5ท่านคลับเฮ้าส7ท่านหน้ากุด122ท่านรวม 1,077 ท่านเจ้าค่ะถ้ามีคำถามก็เอามาอ่านถามได้เลยคำถามจากทาง YouTube Dr. V Channel ชนจากคุณนามัสเต ถ้าเราอยู่คนเดียวที่บ้านสามารถถือศีลแปดและปฏิบัติธรรมเองโดยฟังคําสอนพระอาจารย์จากยูทูบหรือควรจะไปถือศีลปฏิบัติธรรมที่วัดพร้อมหมู่คณะแบบไหนดีกว่ากันคะแบบไหนที่เราพร้อมที่เราสะดวกมันได้ทั้งนั้นเพราะการถือศีลนี้มันไม่ได้ถือต้องร่วมกับถือกับคนอื่นเราเป็นคนถือของเราคนเดียว การปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติเป็นเราอยู่คนเดียวเราก็ปฏิบัติได้ก็ไม่ต้องไปปฏิบัติกับคนอื่นก็ได้แต่ถ้าไปอยู่ที่วัดนี้ถ้าเป็นวัดปฏิบัติมันก็จะได้สถานที่ที่สงบที่ทําให้การปฏิบัตินี้ได้ผลดีกว่าก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลือกได้เอาจะเอ า, เอ า, เอาแบบไหนก็ได้ลองทําดูแล้วเปรียบเทียบดูว่าแบบไหนดีกว่ากันตอนนี้มีคําถามเดียวจะค่ะหลวกพอ่อคำถามเดียว การปฏิบัตินี้มันปฏิบัติที่ตัวเราไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นจะปฏิบัติกับคนอื่นหรือไม่มันไม่ไม่ไม่ไม่ไม่สำคัญเพราะว่าการปฏิบัติที่จะได้ผลดีก็ต้องปฏิบัติคนเดียวอยู่ตามลำพังเพราะเราต้องการให้จิตนี้ไม่ไปคิดไปกังวลกับเรื่องคนอื่นเถ้าอยู่ด้วยกันหลายคนมันก็ย <sh> ังต้องไปคิดไปห่วงไปกังวลกันอยู่ แต่ถ้าเราอยู่คนเดียวมันก็จะได้ไม่มีอะไรมารบกวนใจเั้นการปฏิบัติที่ดีที่สุดถ้าเป็นไปได้ก็อยู่คนเดียวแล้วถ้าไปอยู่ที่มันเงียบเป็นธรรมชาติเช่นไปตามวัดป่าวัดเขาได้ก็ยิ่งดีเพราะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินี้มันช่วยทําให้ใจสงบได้ง่ายกว่าการที่ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ใช่เป็นธรรมชาติถึงแม้จะอยู่คนเดียวเช่นอยู่ในบ้านนบางที สิงว่านอมในบ้านมันก็ยังไม่ได้ทําให้ใจเราสงบง่ายเพราะมันมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ยังอาจจะค้างค้างอยู่ใ น, ในบ้านพอเราเห็นเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ขึ้นมามันก็ทําให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาได้ดันั้นถ้าเป็นไปได้ถ้าดีที่สุดก็คือปฏิบัติคนเดียวแล้วก็ไปอยู่ที่เป็นธรรมชาติอยู่คนเดียวหรือแม้่ไปอยู่วัดก็ไม่ได้อยู่ร่วมกันแยกกันอยู่ ที่ภักของใครของมันปฏิบัติแยกกันปฏิบัตินอกจากเวลาที่มาทํากิจกรรมร่วมกัน <c oughs> เช่นมาฟังเทศฟังธรรมหรือมาทําภา ร, รกิจทางด้านรับประทานอาหาร <c oughs> ก็มาทําแต่ก็ทําด้วยการมีสติด้วยการที่ไม่พูดคุยกันไม่สนทนาไม่สังคมกันต่างคนต่างมีสติทําหน้าที่ของตนไปเมื่อทำเสร็ จ, จาเสร็จหน้าที่ก็แยกย้ายกันไปไปอยู่ที่ปฏิบัติของตน อย่างนี้เป็นสถานที่ปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการภาวนาเรียกว่าสปายะสถานที่สปายะบุคคลสปายะอากาศสปายะอาหารสปายะมีคำถามข้อใหม่ไหมมีเจ้าค่ะจากทาง a ฟ e b o o k จากคุณประทุมคือภาวนาจิตสงบเย็นลงนิดหน่อย ร่างกายจะขยับเองเมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยลองสังเกตอาการดูเขาจะดัดเส้นจนความเมื่อยล้านั้นหายไปเขาจึงจะหยุดลูกลองฝืนแต่ก็ฝืนไม่ได้ลูกภาวนาผิดหรือเปล่าเจ้าคะและลูกควรทำอย่างไรต่อไปผิดเพาไม่มีสติไม่เจริญสติควรจะอยู่กับพุโทโธพุโทโธไปอย่างเดียวหรืออยู่กับลมหายใจเข้าออกไปอย่างเดียวไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องอาการของร่างกาย พอเราไปดูร่างกายมันก็เลยจิตมันก็เลยไปขยับร่างกายแต่ถ้าให้จิตทําอยู่กับลมหายใจหรืออยู่กับพุทโธมันก็จะไปทําเรื่องร่างกายไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปสนใจเรื่องร่างกายเวลาเราภาวนาให้สนใจอยู่กับถ้าเราดูลมก็ให้สนใจกับลมอย่างเดียวถ้าเราใช้พุทโธก็สนใจอยู่กับพุทโธอย่างเดียวอย่าทิ้งพุทโธอย่าทิ้งลมร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจร่างกายมันก็จะไม่ขยับ คำถามจาก y o u t u b e ดร V จากคุณสุพันมีโรคประจำตัวเวลาสวดมนต์แล้วเสียงแหบไอก่อนนั่งสมาธิไม่สามารถสวดมนต์ออกเสียงได้ควรทำอย่างไรเจ้าคะก็ให้สวดไปในใจสวดในใจได้จะดีกว่าเพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้ร่างกายการสวดนี้เพื่อทำใจให้สงบทำใจให้มีสติและฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องออกเสียง นอกจากว่าถ้าเราไปอยู่ที่เขามีพิธีต้องออกเสียงอันนั้นเราก็ต้องออกเสียงเดี๋ยวจะโดนเขาว่าหาว่าเอาเราจะเปรียบแต่ถ้าเราสวยคนเดียวนี่ไม่ต้องออกเสียงดีที่สุดคำถามจากคุณตุ๊กแกตอนปฏิบัติมักจะเกิดอาการคันตามใบหน้าผุมแก้ไขอย่างไรดีครับก็ตอนดูหนังมันไม่เป็นใช่ไหมก็ะสะแสดงว่ามันเป็นตอนที่เรานั่งสมาธิก็เป็นกิเลสมันมา สร้างความรู้สึกขึ้นมาหลอกเราเองตอนจริงร่างกายมันไม่มีอาการคันหรอกแต่กิเลสมันสามารถหลอกใจเราได้นะเห็นไม่ต้องไปสนใจปล่อยมันคันไปเราก็ดูลมไปพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็หายเองคำถามจากคุณอู น, น, นันนันประพัฒ คุณแม่เสียลชีวิตแล้วมีเงินอยู่ในบัญชีเหลืออยู่ลูกๆไม่ได้เอามาแบ่งกันแต่เก็บเอาไว้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แม่ปู่ย่าตายายเรื่อยๆแบบนี้แม่ซึ่งเป็นเจ้าของเงินจะได้บุญไหมคะได้แต่ได้น้อยกว่าถ้าแม่ให้ไปแต่ก่อนตายถ้าแม่ทำบุญก่อนตายแม่จะได้ร้อแต่ถ้าแม่ตายแล้วคนอื่นเอาเงินนั้นทำบุญไปส่งไปให้แม่แม่ได้แค่เปอร์เซ็นต์เดียว งั้นถ้าอยากจะได้ร้อยทั้งร้อยก็ทำตอนก่อนเราตายอย่าทำตอนให้คนอื่นมาทาแทนเราตอนที่เราตายแล้วกรจะได้นิดเดียวบุญุทิ่นี้จะน้อยกว่า บ, บุญที่เราทำเองข้อที่สองเปิดเครื่องดักยุงไฟฟ้านี่ผิดศีลข้อหนึ่งไหมค ะ, ะถ้ามันไม่ได้ไปฆ่ามันก็ไม่ไมผิดศีลเนอะถ้าไล่มันไป แต่ถ้าถ้าทําให้มันตายก็ก็ถือว่าเป็นการฆ่าได้เหมือนกันก็หามุ้งมากางดีกว่านั่งกันในมุ้งอหรืออยู่ในห้องที่เป็นมุ้งลวดเแล้วถ้ามียุงเข้ามาก็คิดว่ามันมาขอขอเจาะเลือดเอาไปทํายาหน่อยก็บใบจากเลือดไปก็แล้วกันมันไม่เจ็บหรอกเดี๋ยวเดียวแป๊บเดียวให้ให้มันปล่อยไปปล่อยให้มันเจาะไปแป๊บเดียวมาพอมันอิ่มแล้วมันก็ไปแล้วมันไม่มารบกวนเรา คำถามจากผู้ฝากถามตะกี้มีหมอโทรมาเล่าค่ะว่าตรวจเจอว่าเส้นเลือดในหัวใจตีบ75เปอร์เซ็นต้องฉีดสีและตรวจยืนยันผลอีกครั้งถ้าเจอตีบ75เปอร์เซ็นจริงต้องผ่าตัดทำบอลลูนพี่หมอบอกสองจิตสองใจเพราะถามใจตัวเองไม่อยากทำแต่สามีบอกควรรักษาเพราะยังต้องใช้ร่างกายปฏิบัติ พอฟังสามีพูดก็มีความคิดว่าถ้าเราปล่อยไม่รักษาร่างกายกังวลว่าลูกจะมีมิจฉาทิฏฐิตรงมองว่าคนปฏิบัติธรรมบ้าถ้าแม่ชีเป็นหมอถ้าแม่ชีเป็นพี่หมอจะไม่ทำอะไรทั้งนั้นทำบอลลูนหมอยืนยันใหม่ว่าไม่ตายระหว่างผ่าหนึ่งและสองผ่าสาเร็จก็ตายอยู่ดี ส่วนมุมมองความเห็นของสามีเขาก็มองทางโลกมองว่าใช้ร่างกายเพื่อปฏิบัติเพื่อทำที่สูงขึ้นไปก็นี่ไงถึงคราวปล่อยร่างกายแล้วลองไม่รักษาไม่ทำอะไรกับมันดู พี่ๆทำเหมือนคนทั่วไปที่ไม่มีอาชีพหมอที่ไม่รู้อะไรอาจจะไม่มีความวิตกกังวลปรุงแต่งส่วนลูกเขาจะคิดยังไงเรื่องของลูกเขาไม่คิดหรอว่าเขาจะมองว่าแม่เป็นตัวอย่างที่ดีที่ไม่ใช่หมอและการรักษาร่างกายเป็นสาระที่พี่หมอคิดลังเลเพราะกิเลสหลอกให้แม่ชีก็บอกเขากราบเรียนถามหลวงพ่อนะคะไม่ว่าส่งคําถาม ถ้าเราต้องการทางธรรมเราก็ปล่อยร่างกายไปาะยังไงมันก็ต้องตายคือถ้าเรายังปล่อยร่างกายไม่ได้เราก็ต้องใช้โอกาสนี้เป็นเป็นเหตุที่ทําให้เราเป็นข้อสอบว่าโอเคร่างกายไม่ใช่เรามันยังไงมันก็ต้องตายผ่ายังไงรักษายังไงมันก็หายแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นอย่างีอยู่ดีในที่สุดมันก็ต้องตายเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการทาข้อสอบเราต้องการผลดีทางธรรม เราก็ไม่ต้องไปทำอะไรปล่อยให้มันปล่อยให้มันเป็นไปแต่ถ้าสมมติว่าเราปล่อยร่างกายได้แล้วไม่มีปัญหากับร่างกายแล้วจะอยู่หรือจะตายก็เท่ากันตอนนั้นถ้าเราจะรักษาเพื่อเอาร่างกายนี้มาทาประโยชน์ให้กับคนอื่นก็อาจจะทาได้แต่ข้อสำคัญขอให้ใจเราไม่ไปเดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายอันนั้นคือเป้าหมายหลักของเราการปฏิบัตินี้เพื่อให้เราไม่ไปทุกข์ไม่ไป เดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายถ้าเรายังทําไม่ได้เพเมื่อถึงเวลาที่จะต้องทําข้อสอบเราก็ต้องพยายามทําใจให้เราไม่เดือดร้อนกับมันถ้าไม่เดือดร้อนก็ต้องยอมให้มันตายไปยอมให้มันเจ็บไปแต่ถ้าเราทําได้แล้วผ่านไปแล้วแล้วเรากําลังทําประโยชน์ให้กับคนอื่นสั่งสอนธร ร, รมะให้กับคนอื่นอย่างนี้ถ้าเราไม่รักษาเราก็อาจจะไม่สามารถทําประโยชน์ให้กับคนอื่นต่อไปได้ถ้าเราสงสารคนอื่นเนี่ยอยากจะให้คน การความช่วยเหลือต่อเขาก็ยอมอาจจะยอมยอมเจ็บตัวยอมให้หมอผ่าแต่เพื่อประโยชน์ของคนอื่นที่จะได้รับประโยชน์จากเราอีกทีแต่ตัวเราเองต้องใจของเราต้องยังไงก็ได้อยู่ก็ได้ไปก็ได้ถ้ายังอยู่ไม่ได้ยังไปไม่ได้ยังต้องอยู่อย่างนี้ก็ยังต้องทำข้อสอบนี้ให้ได้ก่อนต้องปล่อยมันให้ได้ก่อนแต่ถ้าปล่อยได้แล้วนั่นก็อีกเรื่องหนึง่ง ถ้าปล่อยได้แล้วจะอยู่ก็ได้จะจะไปก็ได้ก็รักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้ก็ชั่งน้ำหนักดูประโยชน์ที่จะได้รับจากการรักษากับการไม่รักษาถ้ารักษาแล้วได้ไปทำประโยชน์ให้กับโลกได้ช่วยให้คนเป็นพระสาวกขึ้นมาอีกหลายลูกก็ก็ถือว่าทำประโยชน์ให้กับพระศาสนาอย่างนี้ก็ก็ทำไปแต่ถ้าคิดว่ามันทาแล้วมันไม่เกิดประโยชน์อะไรก็อย่าไปทาอันนี้ก็แล้วแต่ คำถามจากคุณเปเละนั่งสมาธิแล้วมีอาการชาที่แขนที่อื่นไม่ชาเลยและอยากออกจากสมาธิมากอันนี้เป็นเพราะอะไรเจ้าคะเพราะกิเลสนีความอยากอย่างนี้จากความชาความเจ็บไปอยากจะไปหารูปเสียงข่นรดนั่งเฉยเฉยมันเหมือนกับไม่มีอะไรมาให้เราเสพก็ไม่อยากจะนั่งเพราะใจยังไม่ได้ผลจากการนั่ง ดน้นต้องพยายามฝืนนั่งต่อไปแล้วก็พยายามควบคุมใจให้สงบให้ได้อย่าให้คิดให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปถ้านั่งไปแล้วถ้าอยู่กับพุโทโธไปได้เดี๋ยวใจสงบพอใจสงบแล้วอาการที่อยากจะลุกอยากจะไปไหนหายไปหมดเลยเพราะว่าความสงบนี้มันเป็นความสุขอย่างยิ่งแล้วต่อไปก็จะไม่อยากไปทําอะไรนอกจากอยากจะไปนั่งสมาธิมากกว่าดงั้นตอนนี้ต้องพยายามฝืน เวลามันอยากจะลุกอยากจะออกไปก็อย่าลุกพยายามเร่งพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธเกาะติดอยู่กับพุโทโธไปให้มันลืมความอยากที่จะลุกไปเลยพอมันลืมปั๊บมันก็นั่งต่อไปได้ถ้าดีไม่ดีมั น, นก็จะสงบนิ่งได้แล้วก็จะมีความสุขแล้วก็จะไม่อยากจะลุกคำถามจากคุณศสศสิวิมลเวลาย้อนนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตขึ้นมาแล้วทุกแล้วทุกข์ขึ้น ควรทําอย่างไรดีเจ้าคะก็หยุดคิดเลยความคิดของเรามันอดีตมันก็ผ่านไปแล้วมันไม่มีแล้วมันเรามาสร้างมันใหม่ขึ้นมาในใจนั่นเองพอเราหยุดสร้างมันความทุกข์มันก็หายไปอย่าไปคิดถึงมันเวลาใจคิดอะไรแล้วทําให้ใจทุกข์ต้องรีบหยุดมันเนี่ยถึงท้องสอนให้ฝึกสติอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราฝึกไม่ฝึกสติเวลามันคิดแล้วมันหยุดมันไม่ได้มันรถที่ไม่มีเบรกไม่มีสติก็หยุดความคิดไม่ได้ แต่ถ้าเราฝึกให้มีสติมีเบรกคอยอยู่ความคิดอยู่เรื่อยๆพอมันไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราทุกข์เราก็สามารถหยุดมันได้ทันทีตอนนี้ยังไม่มีคําถามเจ้าค่ะหลวงพอ่อดีก็เวลาก็หมดพอดีท่านอย่างนั้นก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่ง<ม>ที่ได้ยินได้ฟังไป พ, พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิด